พัตรสาวทั้งในกชนทั้งหลายและบรรดาพระวิสุทธสมนเณรที่รักตอนนี้ไปก็มาปรารภถึงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันต่อไปในช่วงนี้ผมก็ยังยังป่วยอยู่เนียครับอันนี้เป็นหน้าที่สาริอเอ็ดเทวทมบริกาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ด ตอนนี้ไปผมคิดว่าจะไม่ต้องอธิบายเลยมากเพราะเข้าใจอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ยากพระเดจจ้าท้งตับต่อไปว่านี่โครทะบ <c oughs> ุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตะบะย่อมถึงส่วนสองในพระนะเทัยงหลายว่าสิ่งนี้ควรกับเราสิ่งนี้ไม่ควรกับเราสิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขาเขามุ่งละสิ่งนั้น แต่สิ่งใดที่โกรธเขาเขามีความกำหนัดยินดีลืมสติติดสิ่งนั้นไม่ลเห็นโทษไม่มีปัญญาสลัดออกบริพกอยู่แม้ข้อ น, นี้ย่อมเป็นเกิเลชาวบาคคผู้มีตะบะสุนตัดต่อไปว่าดูก่อนนี้ครูทะหกคนผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะด้วยคิดว่าพระราชา มหาา ม, มาตพระคอมราชากษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีเดราทีเขาเสร็จจากสการะเคารพเพราะเหตุแห่งการใกล้ในลาบสการะสันเสริญแม่ข้อนี้ย่อมไปกิเลกกับบุคคลผู้มีต บ, บะ อ, อันนี้เรียกประรรมติดต้องการเคารพไม่ถูกต้องต้องทำเพื่อละเะต็งกล่าวต่อว่าดูก่อนนิครูทะบุคคลผู้มีต บ, บะ ย่อมเป็นผู้ลุกลาญสมณะหรืพรามอื่นแต่ไหนไหนว่าก็จะไหนผู้นี้เลี้ยงเคีพยบดีวัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกๆอย่างคือเกิดเพื่อเกิดแต่ เ, ตเงาเพื่อเกิดแต่ลาต้นเพื่อเกิดแต่ผลเพื่อเกิดแต่ยอดเพื่อเกิดแต่เมล็ดครบห้าปลายไฟของวันนี้คมดุจสายฟ้าบุคคลหลายย่อมจํากันได้ด้วยวาทะ ว่าเป็นสมณะแม้ข้อนี้ก็เป็นอุปกรณ์แก่ผู้มีธรรมะกล่าวต่อไปว่าดูก่อนนิครุฑะบุคคลผู้มีตรรมะเห็นสมณะหรือพราหม์อื่นที่เขาเสกการะเคารพนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลายเขาดมิอย่างนี้ว่าคนทั้งหลายย่อมเสกการะเคารพนับถือบูชา สมณะหรือพรามชื่อ น, นี้แลผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลทั้งหลายแต่ไม่สักการะเคารพไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีธบะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมองเขาไปผู้ให้ความเมตตาความตันหนีเกิดขึ้นในสกุลทั้งหลายเหล่านี้แม้ข้อนี้ก็ย่อมเ ป, ป็นกิเลสของผู้มีธรระ ผมขออ่านรวดไปเลยทนกล่าวว่าดูก่อนนี่โครูท่บุคคลคผู้มีต ะ, ะเป็นผู้นั่งในที่ที่ทคนรจะเห็นข้อนี้แหล่ย่อมเป็นไปกิเลศข้อนี้รู้สึกว่าญาติโยมฟางท่านสงสัยว่านั่งในบ้านเด็กเดินไปเดินมาคนในบ้านเห็นจะเป็น ป, ป, นปกิเลศไหม ก, ก็ต้องขอตอบว่าไม่เป็น ตามนี้กล่าวนี้ส่าหมายถึงการโอ้อวดให้คนอื่นเห็นเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นนักเจริญกรรมฐ า, านเจริญตะบะอย่างนี้เป็นไปกิเลสแต่ว่าท่านนั่งในบ้านเป็นคนของบ้านเราจะเห็นเราหลบกันไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรพอต่อไปท่านกล่าวว่าน้ดูก่อ น, นิครุธาพวกคนผู้มีตะบะย่อมสแสดงตนไปในที่ตะคุณั้างหลายว่า กรรมแม่นี้อยู่ในตะบะของเรากรรมแม่นี้อยู่ในตะบะของเราไม่ข้อนี้แหลย่อมเป็นประกินเหล็กแกบคุคคลผู้มีตะบะนี่หมายความไปโอดเขาว่าฉันปฏิบัติอย่างนั้นฉันปฏิบัติอย่างนี้มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้อันนี้ไม่ควรครับนอกจากเขาจะหาหรือด้วยด้ว ย, วยอนี้เรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดต่อไปว่า ด, ดูก่อนนิโครทะ บคุคคลผู้มีต บ, บะย่อมเสบโทษอันปกปิดบางอย่างเขาถูกผู้อื่นถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือก็กล่าวโทษที่ไม่ควรมา่ควรกล่าวโทษที่บุควลว่าไม่ควรเขาเป็นพวกกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ดังนี้แม้ข้อนี้ย่อมไปกิเลสแก่ บ, บคุคคลผู้มีตา บ, บะลงกล่าวเท็จก็หมดเรื่องแล้วมาต้องพูดกันนะ เลวพระพุทธเจ้าทรงตัดต่อนว่าที่โครทะบุคคลผู้มีธบะเมื่อตถาคตหรือภาษาวกของตถาคตสแสดงทำอยู่ย่อมไม่ผ่อนตามปริยายซึ่งคนจะผ่อนตามมันมีอยู่แม่ข้อนี้แลจะเป็นกุเลยกับบุคคลผู้มีธบะนี่หมายความข้อที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นะ ถ้าคนที่เขาดีกว่าเราที่ท่านตัด ก, กิเลสหมดแล้วมันแนะนําว่า น, นี่มันพลาดไปนะอันนี้มันผิดไปแก้ไขสมัยอย่างนี้ควรจะทําถ้าไม่ทําก็ไปประกิเลสให้จมปรังท่านตัดต่อไปว่าดูก่อนนี่โกรทะหกคนผู้มีตะบะเป็นผู้ผูกเป็นผู้มักโกรธไหนะโกรธนี่คือกิเลสมันหยาบมาก เป็นผู้ผูกโกรธมันจะจองเวรจองกรรมแม้ข้อนี้แห ล, ละย่ไปเกลเอะคำผู้มีธรรม ะ, ะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายทรงตัดต่อยว่าดูก่อนนี่ครูทะบุคคลผู้มีธบะเป็นผู้มีความลบหลูห้ความบลบหลู่นจิตมันเลวนะว่าเขาเลวยงั้นเขาเลวอย่างนี้ตีเสมอเราเล็กแต่เข้าเข้าใจว่าใหญ่ เรายังดีกว่าที่เสมอเขานี่ใช่ไม่ได้มีฤิ์ยาคื้ฉาเขาเนะ่ตันีขี่เหนียวแล้วก็โ อ, โอ้อวดมีมายาคือชอบหลอกลวงนี่นี่ใสกระด้งางแล้วก็ถือตัวจัดเป็นผู้มีความปัญนาลามกไปสู่อำนาจแห่งความปัฒนาลามก เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดประกอบไปด้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สดุดคือไม่ยอมถอนตัวเป็นผู้ลูกคลั่ทิฏฐิเองใลุกคลา่งใหมายความไม่ทำจริงไม่ทำจัง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เป็นผู้ถือมั่นสลละคืนได้ยากแม่ข้อนี้แลย่อมไปผูกิเลสกับคณผู้มีตะบะ ท่านตัดต่อไปว่าดูก่อ น, นิโครธาท่านจะพึงสําคัญข้อความนี้ไปที่ไหนการในบาปด้วยตาบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นอุปกิเลส ท, ท่านนิโครธากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการในบาปด้วยตาบะอย่างนี้เป็นอุปกิเลสแท้ จะไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอุปกิเลสหาไม่ได้บุคคลผู้มีแต บ, บะตรในโลกนี้พึงประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่านี้มาครบทุกอย่างข้อนี้และเป็นฐานะที่จะมีได้จะโปรยกล่าวไปใหญ่ทั้งอุปกิเลสบางข้อพีท่ท่านิคร่ายอมรับว่าสิ่งที่เป็นมาแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติวังดีวังชอบวังละกิเลสแต่ไปเกาะติดความเลว ที่พระพุทธเจ้าทรงมาเห็นด้วยท่านความจริงนี้ขอทะนนี่ท่านก็ดีนะแผมก็จะขออ่านต่อไปเพราะว่า้ฉบับที่แล้วแล้วมาเนี่ยที่ที่ทํามาแล้วรู้สึกเอาอะไรเข้ามาผสมเยอะแยะไม่ทันใจฟังผมฟังแล้วก็รู้สึ ก, กลำคาญแต่เวลานั้นมันป่วยมากครับมันป่วยมากจริงๆผมก็มันใกล้จะตายผมคิดว่าถ้าจะตายก็ไขาอารมณ์ ถ้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาผสมซะเยอะแต่พวกก็ยังน้อยกว่ า, ารมจริงของผมผมฟังฟั ง, ฟงดูแล้วรู้สึกว่าท่านโบรับฟังจะรู้สึกอัดใจมากและเอาใหม่ดังนั้นตอนนี้ไปขอถอือฉบับนี้เป็นสําคัญเพื่อความเข้าใจง่ายๆทีนี้ต่อไปพระตาท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงกลางานน่าวว่าทังต้องกล่าวถึงฐานะของผู้บริสุทธิ์ที่มีผู้มีตบาก หรือปฏิบัติตามนี้บริสุทธิ่าว่าอย่างนั้นนะเข้าใจ ง, ง่ายๆคนจะอ่านเป็นเลยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรยากทรงตรัสว่าดูกนนีครทะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้ย่อมถือมั่นตะบะเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นข้อนี้ ข้อที่ผู้มีธบะถือมั่นตรรม ะ, ะไม่ดีใจไม่มีดำริบริบูรณ์ด้วยธบรมะนั้นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างหนึง่งในฐานะนั้นนี่ก็หมายความปฏิบัติอยู่แล้วมันยังไม่ถึงอรหรนันนี้ถ้ายังไม่ถึงอรหันเพียงใดก็ยังไม่พร้อมคิดว่าดีเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะจงจําว่าถ้ายังไม่ถึงอรหรันจงอย่าเพิ่งคิดว่าดี และขอท่า น, นหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระหลานและก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระผู้ส่งฌานถ้อยคาทั้งหมดนี้ผมขอเอามาจากสมเด็จพระสัมม า, าสัม<ญ>พุทธเจ้าและก็ผมเองก็จะระคับประควองตัวแค่จะไม่ตกนรกแล้วตนรกขึ้นตื้นๆก็พอใจแล้วเอางี้ก็แล้วกันนะถ้าใครก็ถามก็บอกว่าหลวงพ่อทําไมยอมรับอะไรทั้งหมด ไอ้ที่ไม่ยอมรับนี่ไม่จิตปกปิดก็ถือว่าเราก็ทํากันเพื่อความสบายใจเท่านั้นก็พอเป็กล่าวต่อไปว่านี่โครทะบุคคลผู้ ม, มีธร ะ, ะย่อมถือมั่นธบะเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นตัวธรระนั้นอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในธบรมะนั้นก็ไปต่อดีบ่าย เป็นกล่าวต่อว่าดูก่อนนีโครธาบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะเขาย่อมไม่เมาไม่ลืมสติย่อมไม่ถึงความเมาด้วยตาบะนั้นเขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะอย่างนั้นก็ง่ายแล้วก็ทรงตรัสต่อว่าดูก่อนนีโครธาบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตะบะ เขาให้ลาบสการะความสรรเสริญเกิดขึ้นในเดือบัดนั้นเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์เพราะได้ลาบสการะสรรเสริญ น, นั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นก็จำไม่ดีก็แล้วกันต่อไปท่านบอกว่าดูก่อนนี่โคตะคำอื่นที่คนย่กล่าวยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีธบะย่อมถือมั่นธบะเขาให้ลาบสักการะและความสรรเสริญ เ, เกิดขึ้นด้วยธบระนั้นเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มเบื อ, อื่นได้ลาบสักการะและสรรเสริญมันอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิครุะบุบคคลผู้มีธบะ ย่อมถือมั่นตบะย่อมไม่ถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแกเราสิ่งนี้ไม่ควรแกเราก็สิ่งใดที่ไม่ควรแกเขาเขาไม่มองละสิ่งนั้นเสียส่วนใดที่ควรแกเขาเขาไม่กำหนัดเอาเงี้เลยกันก็สิ่งใดที่ไม่ควรแกเขาเขาไม่มองละในสิ่งนั้นเสียนะ่ะ สิ่งใดที่คนกิดเขาเขาไม่กำหนัดไม่ลืมสติไม่ติดในสิ่งนั้นและเห็นโทษมีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะ น, นันี่ความไม่ติดในหาทุกอย่างนี่กล่าวต่อไปว่าดูก่อนในครูทะคำอื่นยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะแต่เขาไม่คิดว่าพระราชามหาหมายของพระราชากษัตริย์พรามห์กษัตรหั์เดียร์ถีจากสาการะเคารพเราเพื่อเหตุแห่งความไข้าลาบเสกาและความทนเสริญอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะอย่างนั้นหรือปฏิบัติเพื่อความดีไม่มุ่งให้เขาล้นหับถือ แต่ทรงตัดตอบไปว่าดูก่อ น, นิโครูะค้าอื่นที่คนกล่าวยังมีอยู่อีกอีบกบุคคลผู้มีธํรมะไม่เป็นผู้ลุกรานสมณะหรือพรามเหล่าอื่นว่าจะไหนเป็นผู้เลี้ยงชีพในวัตวถุหลายอย่างกินวัตถุทุกอย่างคือพืชเกิดแต่เงาวพืชเกิดแต่ลําต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอด เพื่อเกิดเตมเมล็ิติคารุปหปลายฟันเขาพวกนั้นดูจะสายฟ้าคนทั้งหลายย่อมจำกันได้โดยวาถะไม่ว่าเป็นสวรรณอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์ในฐานะนั้นจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนในโครทะบุคคลผู้มีธ บ, บะเห็นสวรรหรือพรามอื่นที่เขาสการะเคารพนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลาย เขาไม่ดําริอย่างนี้คนนั้นหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์ชื่อ น, นี้ผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างในตระกูลทั้งหลายอาผมขออากาศพลิกเสียหน่อยเสียงจะขาดไปนิดหนึ่งแต่ไม่สักการะเคารพนับถือไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีตบาบะเลี้ยงชีบที่วัตถุเศรหมอง เขาไม่ให้ความได้ศรีอย่าได้ความตณีเกิดขึ้นในที่กุลทั้งหลายดังนี้เขาย่อมเป็นผู้ประเสรบริสุทธิ์ในฐานะนั้นผมจะอ่านเรื่อยๆไปเพราะว่าไม่มีอะไรยากทรงตัดต่อว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีธบะเป็นผู้ไม่นั่งในที่ทางคนจะเห็นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นอันนี้อย่าลืมนะครับ ถ้าเรานั่งแล้วคิดว่าไม่มีใครจะมาเห็นเพราะเออเขามาเห็นเองเป็นเรื่องของเขาแต่ก็าพยายามนั่งในที่ลับให้ได้ก็แล้วกันสําหรับญาติโยมที่มีความสงสัยว่านั่งในบ้านเด็กเห็นจะเป็นไรไปเป็นไปไรไหมก็ต้องขอตอบว่าไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจโอดในบ้านเนไม่เป็นไรไม่ใช่คนอื่นแล้วทรงตัดต่อไปว่าโดยก่อนนิโครทะผู้คนผู้มีธบระ ย่อมไม่เที่ยวแสดงตนไปในตระกูลทั้งหลายว่ากรำแม่นี้อยู่ในบะตรของเรากรำแม่นี้อยู่ใน บ, บัตรของเราอย่างนี้เขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นอธิบายเขาต้องโอโศดไปคุยเขาว่าท่านทําอย่างนั้นท่านทําอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นไม่ควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบโลกคำคล้องคอเนาะขอโทษนะครับอย่าแสดงเลยครับไม่ดีหรอก ต่อไปท่านตัดว่าด้วยกนณีครูทะบุคคลผู้มีตะบะย่อมไม่เสภโทษนันปกปิดบางอย่าง <c oughs> เขาโู้อื่นถามว่าโทษนี้ควรแกท่านหรือกล่าวโทษที่ไม่ควรว่าไม่ควรกล่าวโทษที่ควรว่าควร <c oughs> เขา ผ, ผู้ไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ดังนี้ย่อมเป็ผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น <c oughs> แต่ว่าต่อไปเลยครับเพราะไม่อยากโคดจ้าโซนตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้ ม, มีธรรมะเมตตาคตหรือภาษาวกของเมตตาคตแสดงทำอยู่ย่อมผ่อนตนตามปริยายซึ่งควรผ่อนตามอันมีอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นทซนตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้ ม, มีธรรมะ ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มักผูกโกรธอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นไม่โกรธด้วยและก็ไม่จองร้างจองผลานด้วยนะครับนึ่กล่าวต่อไปว่าดูกรในครูทะบุคคลผู้มีธบะไม่เป็นผู้ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ลิสิยาไม่เจนิไม่โออดไม่มีมายาคือเจ้าเล่ห์หลอกลวง ไม่แข็งกระด้างไม่ถือตัวจัดไม่เป็นผู้มีความปัจฉนาลามกไม่ไปโศนาถึงความปัจฉนาลามกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ประกอบด้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สุดไม่เป็นผู้ลบความทิฏฐิเองไม่เป็นผู้ถือมั่นไม่ แล้วก็เป็นผู้สละคืนง่ายอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้ น, น, น <c oughs> ต่อไปองคตว่าดูก่อนนิโครทะท่านอย่าสําคัญความข้อ น, นี้ไปเชไหน <c oughs> ถ้าเมื่อเป็นชนนี้การหน่ายบาปนู่นแต่บาจะบริบรูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นนะท่านถามว่าจะบริบูรณ์ไหมหรือบริสุทธิ์ไหมหรือไม่บริสุทธิ์ ธานิโครทะกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นช น, นี้การหน่ายบาปทุจริตเหล่านี้บริสุทธิ์แท้ไม่บริสุทธิ์หามิได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครทะการหน่ายบาปทุจริตด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นก็หามิได้ ที่แท้เพ็นงเพียงแค่สเก็ความดีที่ตถาคตสอนเท่านั้นรเรื่องนี้ผม ก, ก็ยํำมากับแย่เพราะว่าตอนนี้กำลังเครียดและกาลังป่วยก็ลังป่วยมันดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็สงสารพวกท่านที่ต้องฟังเรื่องราวที่ประกอบที่ยาวเกินไปและกว่าจะฟังข้อวัดปฏิบัติก็แสนยาก เป็นนั้นว่าพระโยคาวาจอนก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ดีฟังมาแล้วนะครับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุปกิเลสขอให้ถือว่าเป็นระเบียบของวัดสิ่งนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพิโสสำเนาองค์จงพยายามละให้ได้ขาดอย่าให้ปรากฏแก่กายทวาจา ตอนนี้ถ้าพูดเรงการละแั้นก็ยากเหมือนกันเรายังไม่ใช่พระอาราหันต์เรายังดีไม่พอในเมื่ อ, อยังละไม่ได้จริงๆก็ระงับมันไว้ในใจอย่าปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายและวาจาใช้คันติบารมีเข้าข่มให้ข่มขังมันไว้ในใจ ใช้ ว, วิียบารมีเข้าทำลายให้มันหมดสิ้นไปใช้ปัญญาบารมีเปนาวุธกลาเข้าฟันฝ่าอุปสรรคคือปกิเลตทั้งหลายให้หมดไปจากใจค่อยๆทำนะครับแต่ก็จงอย่าลืมนะครับสิ่งใดที่พระเจ้าว่าไม่ดีหากว่าท่านปฏิบัติตัดยังไม่ได้ก็มันขังอยู่แค่ใจจะไหลถึงกายกายละวาจา ถ้าท่านพ่นใดปล่อยไหลมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีก็จะถือว่าท่านพนนั้นเป็นผู้ฝ่าฝืนความดีของสำนักถือว่าเป็นผู้ฝืนระเบียบของสำนักเราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ฉะนั้นขอคณะสงฆ์ผู้มีอำนาจพิจารณาคณะสงฆ์นี่ก็ไม่กันนะต้องดูตัวเองด้วย อ่านไปแล้วก็ฟังไปว่าดูที่ว่าเรากับเขาสิ่งใดที่ห้ามเราทำหรือเปล่าแต่ว่าเราทำก็ใช้ไม่ได้นะครับเราทำเราลงโทษเขาไม่ได้เราต้องไม่ทำด้วยและก็ช่วยกันกำจัดคนเลวให้พ้นไปจากสำนักละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในวัดของเรานอกจากระเบียบปฏิบัติที่มีมาแล้วเรื่อดับแรกเราให้ปฏิบัติมโนมิจฉิให้ได้ถ้าไม่ได้มโนมิจฉิมณิยติเราไม่ยอมให้โบทเรื่การดีสองยืนยันรับรองเรื่องระเบียบของวัดและพระวินัยจะไม่ละเมิดและเรื่การดีสามนี่มีความสำคัญด้านอุปกรณ์ทั้งหลาย เขาจะต้องยืนยันว่าไม่ปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายละวาจาถ้าปรากฏว่าไหลมาจากทางกายละวาจาไหลในสนักก็ดีไหลนอกสนักก็ดีถ้ามีหลักฐานให้กำจัดออกไปทันทีอย่าให้อยู่ในวัดแปลงขาดแล้วก็ระเบียบปฏิบัติใดที่องค์สมเด็จประจอมใจทรงจัดนทุมปฏิการสดว่าความดีถึงขั้นสะเก็ ข้าเสกเกตความดีนั้นดูกันให้ดีหน่อยครับท่านที่มาที่โชคอมานี่ะบางทีก็ชูคอมาในฐานะยศธรรมดาศัก์สูงมั่งบางทีก็ชูคอมาในฐานะตำแหน่งการงานสูงบ้างบางทีก็ชวมาในฐานะที่มีศักดิ์ศรีมีทรัพย์สินสูงบ้าง แล้วก็ดูว่าความดีของท่านบนนั้นเข้าถึงสกเกตความดีไหมด้านสกเก็ตนี้ต้องระมัดระวังให้ว่ามากมนะครับถ้าสกเก็ตไม่ทรงตัวหมายความสกเก็ตความดีไม่ทรงตัวอย่างอื่นมันก็ทรงตัวไม่ไหวฉะนั้นขอบรรดาพิสุทธิส์สมณีทั้งหลายและบรรดาคณะกรรมาการส่งพยายามทรงตัวตามความดีนี้ให้มาก ทบทวนไว้เสมอคัดเศษมีไม่เช่นนั้นวัดเราเวลานี้พระไตรปิฎมีเยอะที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทถวายมานนตหลายฉบับหลายชุดมากท่านจะสามารถเอาไปอ่านได้แต่ต้องรักษาของส่งให้ดีเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดแล้วก็ดู สูตรที่เรียก ว, ว่าอุทุมบดิกาสูตรในขณะหน้าประมาณสามน้าประมาณหน้าสามสิบอันนี้จะเป็นของไม่ยากาเพื่อปฏิบัติกันกรวมความว่าขั้นสเก็ดจะต้องทรงให้ได้แน่นอนในการครบหาสมาคมสัมผัสกับคนผู้อื่นที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระสังฆาธิการหือท่านผู้เป็นคณาจารย์ ว่าท่านผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่ที่มีความรู้มากที่ท่านมาท่านมักจะแสดงตว่าท่านเป็นนั่นบ้างท่า น, ปนไปนี่บ้างเดี๋ยวพวกท่านนั้นหลายก็ลองวัจริยาของท่านวาจาที่ท่านกล่าวมาก็ดีจริยาที่ท่านกล่าวมาก็ดีเทั้งทิ้งสกเสกความดีในพระพุทธศาสนาไหม ถ้าทราว่าท่านยังเข้าไม่ถึงสกเสกความดีในพระพุทธศาสนาก็อย่าไปนึกว่าอะไรเขาเป็นแต่เพียงเราคิดว่าความชั่วอย่างนี้เราไม่ทําตามก็แล้วกันเพราะว่าระเบียบปฏิบัติของพรสังฆาธิการมีมากแต่ว่าพระสังฆาธิการส่วนมากท่านจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของท่านหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบ แต่ว่าเท่าที่พบพบมาจริงๆที่ท่านดีก็มีมากแต่ว่าที่ท่านลืมดีก็มีไม่น้อยฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของท่านผู้คนใดทำดียกเปิ่งครูของพวเราสิ่งใดที่มันไม่ดีจับเขยี่ซะด้เท้าไม่ใช่เป็นเขยี่เจ้าของนะเขยี่สถิติประธานนั้น เอาเท้าขอ้อยี้คำจริงเท้าข้อยี้ดีไม่ดีมันติดเท้าเอาไฟเผาเสียเลยคำว่าไฟเผาคืออัตบะได้ความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปเข้าหักหันย้ายความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาถึงใจของเรามันจะพาเราเลวไปด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงกัดว่าอาเสวัณนาจะพาลา น, นังปันฑิตานนันเสวัณนา บูชาจะผูชนิยานัางเอตมังคลมุตมังติงกล่าวว่าจงอย่าคบคนชั่วจงคบแต่คนดีจงบูชาบุคคลที่คนบูชาคือบุคคลที่มีความดีดีตั้งแต่สเกตขึ้นไปอย่างนี้จัดว่าเป็นโอโดมัมงคนอรันดาท่านพุทธศาสนิกชนแระบรรดาเพื่อนบิสุสมันเนนทั้งหลาย ตอนนี้อาจจะรูปรัต ด, ดีหน่อยก็สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความ ส, สุข ส, ส, ส, สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี